อาจรพรท่านผู้มีจิตเมตตากราุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาที่หมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง เป็นวันที่ท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญกันการทำบุญที่จะให้ได้บุญนั้นต้องทำบุญเพื่อบุญอย่างเดียวถึงจะได้บุญตามที่เราปรารถนาผลของบุญในปัจจุบันก็คือความสุขใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจ ส่วนผลในอนาคตก็เป็นพกชาติที่ดีกว่าเดิมพกชาติที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์นี่คือคำว่าบุญเป็นอย่างนี้บุญแปลว่าความสุขใจเวลาเราทำบุญขอให้เรามองที่ใจเราเป็นหลักว่าใจเรามีความสุข มากน้อยหรือไม่อย่างไรถ้าเราทำบุญโดยที่เรามีเจตนาแฝงอยู่เราจะไม่ได้บุญคือความสุขใจเท่าที่ควรเช่นบางคนทำบุญด้วยความโลภคืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นผลตอบแทน จ, จากผู้ที่เราทำบุญด้วยก็ตามหรือทำื้อยจากสิ่งอื่นๆเช่นทำแล้วอยากจะให้เจริญในก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากจะให้ทำมาค้าขึ้นขายดิบขายดีอยากจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงๆขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ความสุขใจความสบายใจนี้น้อยลงไปหรือหายไปเลยก็ได้ถ้าไม่ได้ดังที่ต้องการเช่นทำบุญแล้วอยากจะให้เขาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนแล้วเขาไม่ได้ทำเช่นทำแล้วอยากให้เขาประกาศชื่อแล้วเขาไม่ได้ประกาศชื่อ ไม่ได้เขียนชื่อติดไว้ในสถานที่ที่เราต้องการให้ติดพอเรารู้เข้าเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาได้เพราะเราไม่ได้ทำบุญเพื่อบุญนั่นเองการทำบุญเพื่อบุญนี้ต้องทำด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ใจ คือไม่ปรารถนาอะไรทั้งสิ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตพบหน้าชาติหน้าจะดีกว่าเดิมหรือไม่ไม่สำคัญที่ทำนี้ทำเพื่อหน่งเรามีสมบัติมากเกินไปเหลือกินเหลือใช้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยสมบัติ ส่วนนี้เราก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้เป็นภาระทางจิตใจเราก็เอาไปทำบุญให้ทานสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์น่วมโลกด้วยกันเวลาที่เราทำแล้วเห็นคนอื่นเขาได้รับประโยชน์จากการกระทำของเราเขาได้รับความสุขเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมาในใจ แต่เราต้องไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนเป็นการปดเรื่องสมบัติเข้าของเงินทองที่มีมากเกินไปเหมือนกับรถหรือเรือถ้ามีของที่จะต้องบรรทุกมากๆรถหรือเรือก็จะวิ่งช้าจะไปไม่ได้อย่างสะดวกรวดเร็วถ้า เอาสัมภาระต่างๆที่ไม่จำเป็นออกจากรถออกจากเรือแล้ว <c oughs> เรือก็จะเบาขึ้นรถก็จะเบาขึ้นก็จะสามารถวิ่งไปได้อย่า ง, งคล่องแคล่วรวดเร็วจนไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยชีวิตของเราก็เป็นเหมือนกับการเดินทางเรายัง ต้องเดินทางไปจนกว่าเราจะไปถึงบ้านที่แท้จริงของเราบ้านที่ไม่มีความทุกข์บ้านที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาการที่จะไปถึงให้ได้อย่างรวดเร็วนั้นก็ต้องไปแบบเบากายเบาใจถ้าเรายังมีความหนักกายหนักใจอยู่เราจะไปยากและจะไปช้า และอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากันเพราะสัมภาระต่างๆที่คอยถ่วงรั้นเราไว้เช่นสมบัติเข้าของเงินทองและบุคคลต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังมีความผูกพันยังมีความหวงยังมีความเสียดายเราก็จะ ไม่สามารถที่จะตัดเขาออกจากเราไปได้เราก็จะต้องแบกเขาไปไปกับการเดินทางของเราซึ่งมันยากเย็นมากการเดินทางเพราะมีการขึ้นเขาลงห้วยมีการข้ามน้ำข้ามทะเลถ้ามีภาระต่างๆ พ, งพลุงมพลัง ติดตัวเราไปเราจะไปไม่ตลอดรอดฟังนี่คือความหมายของการทำบุญเพื่อปลดปลื้องภาระต่างๆที่มันไม่มีความจำเป็นต่อการเดินทางของเราอย่าไปเสียดายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะในที่สุด เขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปอยู่ดีเพราะเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะรักสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ตามจะรักคนนั้นคนนี้มากน้อยเพียงไรก็ตามสักวันหนึ่งก็ต้องถึงเวลาจากกันเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขานี่เป็นเรื่องธรรมดา ของโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรายังตัดไม่ได้เราก็จะอยู่อย่างหนักอกหนักใจกังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้กลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจจะไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่ที่สูงได้จิตใจจะก้าวขึ้นสู่ที่สูงไปถึงบ้านที่เราต้องการจะไปได้ต้องเป็นจิตใจที่เบาจิตใจที่ปล่อยวางได้จิตใจที่ตัดสิ่งต่างๆทั้งหลายได้ นี่แหละเป็นเหตุที่เราต้องมาทำบุญให้ทานกันเพื่อเป็นการปลดเปลื้องภาระต่างๆที่มันคอยกดใจของเราให้ลงต่ำไม่ให้ขึ้นสูงเราจึงต้องมาเอาสิ่งต่างๆที่เราไม่ต้อง มีความจำเป็นไม่ต้องอาศัยเขาแล้วนี้เอาไปให้ผู้อื่นหรือถ้าไม่มีใครให้จะไปโยนทิ้งทะเลก็ได้ไม่เป็นไรขอให้เราปลดเปื้องมันไปจากใจของเราเพื่อจะได้ไม่ต้องมีภาระกับมันอีกต่อไปใจที่ไม่มีภาระกับใจที่มีภาระนี้มันต่างกันใจที่มีภาระนี้จะมีแต่ความ ทุกมีความหนัก อ, อกหนักใจใจที่ไม่มีภาระนี้จะมีแต่ความสุขเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจและเวลาที่เราจะให้อะไรนั้นผลก็มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันถ้าเราให้ในสิ่งที่เราไม่รักไม่หวงเราจะไม่รู้สึกมีความเบาอกเบาใจ มีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเหมือนกับเราให้สิ่งที่เรารักเราหวงถ้าเราให้ในสิ่งที่เรารักเราหวงได้ใจเราจะมีความสุขมากมีความสบายอกสบายใจมาก <c oughs> ดังนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญมากๆจากการให้ทานก็ต้องให้ของรักของหวงของเรา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนการให้สิ่งต่างๆตามลำดับอย่างนี้คือให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นอันดับแรกขั้นที่สองก็ให้บุคคลต่างๆที่เรารักที่เราหวงขั้นที่สามก็ให้สละอวัยวะของเราเช่นสละตาจละสละแขนสละขา และขั้นต่อไปก็ให้รักให้สละชีวิตให้เรารักษาทานนี้ไว้ให้ได้อย่าให้ความตณีความโลภนี้มาป้องกันไม่ให้เราได้ให้ฐานนี่คือการให้เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้ก้าวไปสู่บ้านเรา ได้อย่างรวดเร็วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบงเพ็ญมาพระพุทธเจ้าสละราชสมบัติฐานะของราชกุมารสละบุตรสละภรรยาสละพ่อแล้วก็ออกไปอยู่ตามลำพังบาเพ็ญเพียรพร้อมที่จะสละชีวิต ความที่จะสละอวัยวะพระพุทธเจ้าจึงสามารถอดพระกายาหารได้ถึง49วันจนร่างกายนี้ไม่มีเนื้อเอหลืออยู่เลยมีแต่หนังหุ้มห่อกระดูกไว้เท่านั้นเองเพราะความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้บุญคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้เอง ทำให้พระพุทธเจ้าสามารถกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อที่จะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานนี้เองจนในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงนั่งประทับอยู่ได้โคนต้นโพในวาระสุดท้ายแห่งการบำเพ็ญเพียร ก็ทรงตั้งศัพจ์จะอธิษฐานไว้ว่าถ้าไม่ได้ธรรมะไม่ได้บุกกุศลอันประเสริฐที่พระ อ, องค์ทรงปรานานี้จะไม่ทรงลุกจากที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดถ้าไม่ได้ก็ขอสละชีวิตสละร่างกายนี้ไปแต่ด้วยความความเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้เอง จึงทำให้พระองค์สามารถทำลายกำแพงที่คอยฝังกั้นไม่ให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุได้บรรลุถึงพระนิพพานแต่พอยอมตายแล้วเท่านั้นเองกำแพงอันนี้ก็จะถูกทำลายไปอย่างง่ายดายเลยทีเดียว เพราะกำแพงนี้มันไม่ได้กำเป็นกำแพงที่เกิดจากที่สร้างจากอิจจากปูนจากวัตถุต่างๆแต่มันเกิดจากความหลงเท่านั้นเองความหลงที่ไปยึดติดกับสิ่งต่างๆไปหวงไปห่วงกับสิ่งต่างๆเพราะหลงคิดว่าสิ่งต่างๆนี้เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรา เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหลงคิดกันสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มีมากมีน้อยเท่าไหร่มันไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มันมีแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้กับเราให้มีมากยิ่งขึ้นไป ถ้าเราสังเกตดูเราก็จะรู้ถ้าเราเปร <i> ียบเทียบดูเวลาที่เรามีกับไม่มีนั้นใจของเราเป็นอย่างไรเวลาเรามีสามีมีภรรยากับเวลาที่เราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเวลาเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราก็ไม่ทุกข์กับสามีไม่ทุกข์กับภรรยาเพราะไม่มี สามีมีภรรยามาให้เราทุกข์ด้วยนั่นเองแต่พอเรามีแล้วเป็นอย่างไรทุกข์ไหมทุกข์กับเขาหรือเปล่าห่วงเขารอเปล่ากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะทิ้งเราไปหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะไม่ดีกับเราหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นถ้าเรามีเขามันจะต้องเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่ต้องมากลัวว่าเขาจะร้ายกับเราหรือไม่เขาจะอยู่กับเราหรือไม่เพราะอะไรเพราะเราไม่มีเขานั่นเองนี่คือตัวอย่างในเรื่องของการมีความทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรา เขาอาจจะให้ความสุขกับเราบ้างแต่เมื่อชั่งน้ำหนักของความทุกข์ที่เขาแถมมาให้ด้วยแล้วมันไม่คุ้มค่ากันความทุกข์นี้มันทรมานจิตทรมานใจมากกว่าเวลาที่เราสูญเสียเขาไปนี่เราจะทำใจได้หรือเปล่าเราจะหัวเราะได้หรือเปล่าเราจะมีความสุขใจได้หรือเปล่า เหมือนกับที่เราทำบุญให้ทานวันนี้เรามาทำบุญให้ทานเราสูญเสียเงินทองไปแต่เราเสียใจเราเศร้าโศหรือเปล่าหรือเรามีความสุขใจเรามีความดีใจเพราะเราให้ด้วยความตั้งใจเราพร้อมที่จะให้และไม่เพราะไม่หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนกลับมา นี่แหละทำให้เราเกิดความสุขใจดังนั้นถ้าเรายังมีอะไรอยู่และอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเขาอยู่เราก็ควรหัดซ้อมทำใจเอาไว้ในใจว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะต้องจากเราไปเราก็ต้องคิดเสียว่าเวลาเขาจากไป เป็นเหมือนกับเวลาที่เราทำบุญให้ทานดังนั้นเราลองมาทำบุญให้ทานแบบหนักๆสักหน่อยคือเอาของที่เรารักเราหวงนี้ไปให้คนอื่นเสียดูซิว่าเราจะทำใจได้หรือเปล่าถ้าเราทำใจได้แล้วต่อไปเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักคนที่เรารักไปเราจะได้ทำใจได้ เราจะได้คิดได้ว่าเป็นเหมือนการทำบุญให้เขาไปเมื่อถึงเวลาที่เขาจะไปก็ให้เขาไปไม่ต้องมาเสียดายไม่ต้องมาร้องโผมร้องไห้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วเวลาเราสูญเสียอะไรไปเราจะมีแต่ความสุขเพราะเราจะคิดว่าเออเบา อ, อกเบาใจหมดภาระ ไม่ต้องห่วงไม่ต้องหว ง, ไ ม, ง, หวงไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาหวาดกลัวว่าเขาจะจากเราไปเขาจะหายจากเราไปเมื่อไหร่นี่คือเรื่องของการทำบุญให้ทานเป็นอย่างนี้เราต้องการตัดความผูกพันกับสิ่งที่เรามีอยู่เราต้องทำจากน้อยไปหามาก ตอนนี้เราทำได้แค่นี้ขั้นต่อไปก็ต้องขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งทาให้มากขึ้นเพราะยิ่งมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งยากขึ้นเพราะความหวงมันมีมากขึ้นความผูกพันมันมีมากขึ้นนั่นเองถ้าเราทำน้อยๆเราก็หวงน้อยก็ทำง่ายความสุขใจความสบายใจก็ได้น้อย ไม่เหมือนกับให้สิ่งที่เราหวงมากๆรักมากๆอย่างพระพุทธเจ้านี้ให้ได้แม้แต่ชีวิตท่านถึงสามารถได้บุญกุศลที่สูงสุดได้นั่นเองก็คือพระนิพพานนังมีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านพูดไว้ว่านิพพานนี้อยู่ฝากตายอยู่ฟัง ของความตายผู้ใดปรารถนาพระนิพพานแล้วยังหวงแผนงชีวิตอยู่ยังกลัวตายอยู่ผู้นั้นจะไม่มีทางได้พระนิพพานเลยถ้าอยากได้พระนิพพานนี้ต้องกล้าตายต้องยอมตายได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปฆ่าตัวตายแล้วจะได้พระนิพพานไม่ได้การฆ่าตัวตายนี้จะได้นรก เป็นผลตอบแทนอย่างที่เคยมีข่าวคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วหลงคิดว่าการจะไปถึงพระนิพพานได้ต้องฆ่าตัวตายนี่ก็เลยฆ่าตัวตายไปแต่นี่ไม่ได้เป็นการให้ไม่ได้การสงใจไปสู่พระนิพพานแต่เป็นการสงใจไปสู่นรกเพราะสิ่งที่ต้องฆ่าไม่ใช่ร่างกาย สิ่ทั้งสิ่งที่ต้องฆ่าก็คือกิเลสความกลัวตายความหวงแหนความยึดติดกับชีวิตร่างกายนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่จะต้องฆ่าเหมือนกับเรามาทําทานนี้เราฆ่าความหวงแหนในเงินทองของเราวันนี้เราได้ฆ่าไปหลายตัวเอาเงินทองที่เราหวงแหนนี้มาให้ผู้อื่นมาทำบุญและเท่ากับเราได้ฆากิเลส ได้ฆ่าตัวที่ผูกใจให้ติดอยู่กับเงินทองเราต้องการฆ่าตัวนี้ท่างหากเพราะตัวนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์อย่างแสนสาหัสให้กับจิตใจของเราไม่มีอะไรจะทุกข์ทรมานเท่ากับความกลัวตายคนเรานี่เวลากลัวตายนี่มันแสนเจะทรมานอย่างยิ่งต่อให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมหากษัตริย์มหาจักรพรรดิ ถ้ามีความตัวตายอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะมาหักข้ามความทุกข์ทรมานใจได้เลยต่อให้มีเงินจ้างรอปภมาคุ้มกันอยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงมันก็ไม่สามารถไปดับความกลัวตายได้ไม่สามารถไปดับความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความกลัวตายได้มีการยอมตายนี้เท่านั้นแหละ ที่จะดัดมันได้คือยอมที่จะเสียชีวิตอันนี้เป็นเหมือนกับการบริจาคร่างกายนี้ให้แก่ผู้อื่นไปเหมือนกับเราบริจากทรัพย์แต่การบริจาคร่างกายให้เขาไปศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่หลังจากที่เราตายไปแล้วนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการบริจาคแต่อย่างใดไม่ได้เป็นการทำบุญแต่อย่างใด เพราะเราไม่ได้ข่าความกลัวตายเพราะเรายังหวงร่างกายนี้อยู่เราให้ได้ตอนที่มันตายไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการทำบุญถ้าอยากจะทำบุญต้องให้ตอนที่เรายังเป็นอยู่เช่นเอาร่างกายนี้ไปเลยวันนี้เอาไปฉีดยาเลยฉีดยาให้ตายไปเลยในวันนี้แล้วก็เอาเอวัยวะต่างๆไปบริจาคให้กับคนอื่น ถ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทําบุญคือเราพร้อมที่จะสละร่างกายนี้ให้แก่ผู้บ่นไปแต่ถ้าเรามาบริจาคหลังจากที่เราตายไปแล้วไม่ได้บุญแต่ได้ประโยชน์คือประโยชน์ทางการแพทย์นักเรียนนักศึกษาแพทย์เขาก็จะได้ศึกษาใช้ร่างกายเราศึกษาเกี่ยวกับ อวัยวะต่างๆแล้วเพื่อจะได้นาเอาไปรักษาโรคภยยัยไข้เจ็บต่อไปได้ประโยชน์แต่ไม่ได้บุญเพราะการทำบุญนี้เป็นการทำเพื่อใจของเราเป็นการตัดกิเลสที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจความรักตัวกลัวตายนี้เป็นกิเลสถ้าเราอยากจะ ฆ่าตัวนี้เราถ้าเราอยากจะได้บุญได้กุศลเราต้องฆ่าตัวนี้ฆ่าตัวรักตัวกวัวดตายนี้วิธีที่ฆ่าหรือวิธีที่พิสูจน์ว่าเราฆ่ามันได้หรือไม่ก็คือเราต้องไปอยู่ในที่มันมีภัยอันตรายเสี่ยงกับความตายได้ถึงแก่ความตายได้ เช่นไปอยู่ในป่าที่มีสิงสาราศัตว์ต่างๆแล้วก็ดูซิว่าใจของเรายังกลัวตายอยู่หรือเปล่าถ้าใจของเรากลัวก็ต้องปลงให้ได้ต้องยอมตายให้ได้ถ้ายอมตายได้แล้วใจมันจะสงบใจมันจะเย็นทันทีเลยมันจะเบามันจะสะุก มันจะสุขมันจะสบายตอนนั้นถ้าร่างกายเป็นอะไรไปมันก็จะไม่เดือดร้อนเหมือนกับพระในสมัยพระพุทธกาลมีอยู่รูปหนึ่งที่ท่านถูกเสือคาบคาบกินแต่ท่านสามารถตรงได้ตอนที่ถูกเสือกัดตอนที่ถูกเสือคาบท่านยอมสละชีวิต ยามสละร่างกายใจของท่านก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์ใจของท่านก็ได้บรรลุถึงพระนิพพานได้นี่คือตัวอย่างที่แสดงมานี้เพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องของการทำบุญให้ทางว่าเป็นอย่างไรเราทำบุญให้ทางเพื่อตัดความผูกพันกับสิ่งต่างๆบุญ สิ่งที่เราผูกพันมากที่สุดก็คือชีวิตของเราถ้าเราสามารถตัดความผูกพันชีวิตของเราได้แล้วเราจะอยู่อย่างสุขไปตลอดจนวันตายจะไม่มีความรู้สึกกลัวตายอีกต่อไปร่างกายจะเป็นอะไรอย่างไรจะไม่เดือดร้อนจะแก่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้รักษาหายหรือรักษาหน้าหาย จะไม่เป็นประเด็นสำคัญแต่อย่างใดจะอยู่อย่างมีความสุขเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาที่จะตายก็จะรู้สึกเฉยเฉยนี่คืออนิสงค์ของการทำบุญให้ทานที่พวกเรามาทำกันแต่ตอนนี้พวกเรายังทำอยู่ในขั้นอนุบาลอยู่ยังขั้นต่าอยู่เราต้องขยับขึ้นไป จากขั้นอนุบาลก็ขึ้นสู่ขั้นปถมขั้นมัธยมขั้นมหาวิทยาลัยจนถึงขั้นระดับปริญญาเองคือเสียสละชีวิตนี้ได้ไม่กลัวตายยอมตายได้ทุกเวลาพร้อมที่จะตายได้ทุกเวลาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วจะได้บุญที่สูงสุดจะได้ความสุขที่สูงสุจดสสสจะได้ความสุขที่ไม่มีความทุก เหลืออยู่เลยเป็นอย่างนี้นี่คือเรื่องของการทำบุญให้ทานขอให้เราพยายามถือหลักนี้ไว้เวลาที่เราจะทำบุญอย่าไปทำบุญเพราะว่าอยากจะได้หน้าได้ตาอยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าเราเป็นคนใจบุญใจกุศลว่าเราเป็นคนร่ำรวย มีเงินมีทองให้ปิดทองหลังพระทำบุญแบบเงียบๆไม่ต้องให้เขาประกาศชื่อของเราแต่ถ้าเป็นธรรมเนียมของเขาที่เขาจะประกาศที่เขาจะเขียนชื่อของเราไว้อย่างนั้นเราก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันก็ต้องปล่อยเขาทำไปอย่าไปยึดติดว่าจะต้องไม่มีประกาศ เขียนชื่ออย่างนี้ก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งเราต้องปล่อยวางได้ทุกรูปแบบเขาจะเขียนชื่อประกาศชื่อของเราก็ได้เขาจะไม่ประกาศชื่อไม่เขียนชื่อของเราก็ได้เหมือนกันเราไม่ได้เรียกร้องแต่อย่างใดเพราะถ้าเราไปมีปัญหาแล้วใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเขาจะประกาศชื่อเราไม่ยอมไม่ให้เขาประกาศชื่อ แล้วพอเขาประกาศไปเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่ต้องการประกาศชื่อไม่ต้องการได้รับโล่รางวัลแต่เมื่อเขาจะให้เราเราก็ต้องรับไปแต่เราไม่ได้รับเพราะกิเลสหรือความอยากได้แต่อย่างใด เรารับเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจกันไม่ให้เสียมารยาและไม่ให้เกิดกิเลสขึ้นมาที่จะไม่อยากได้สิ่งที่เขาจะให้เรากิเลสมันมีหลายรูปแบบมันมีทั้งอยากได้และไม่อยากได้ดงนั้นเราต้องระวังบางทีเราทาเราไม่อยากได้แล้วก็ไปเกิดกิเลสเราเราเราทำลายกิเลสที่อยากได้แล้วก็ไป เกิดกิเลสที่ไม่อยากได้ขึ้นมาอยากจะทำบุญโดยที่ไม่ให้เขาประกาศชื่อพอเขาจะประกาศชื่อขึ้นมาก็ไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นกิเลสขึ้นมาอีกก็จะไม่ก็จะไม่ได้บุญอย่างที่เราควรจะได้กลับได้ความไม่สบายใจต่างมานี่แหละคือเรื่องของการทำบุญมันกลับมาที่ใจเราเป็นหลักทั้งเหตุก็ที่ใจ ใจเป็นผู้ทาบุญและใจเป็นผู้รับผลของบุญเวลาทำบุญแล้วขอให้สังเกตดูใจเราว่าใจของเราเป็นอย่างไรสุขใจอิ่มใจหรือกังวลกวายใจกังวลว่าเขาจะเอาไปทำตามที่เราขอให้เขาทำให้หรือไม่ถวายของเขาแล้วเขาจะใช้ของของเราหรือไม่ เขาจะรับประทานของของเราหรือไม่ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีความอยากเกิดขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะเป็นกลายเป็นความทุกข์ไปไม่ใช่กลายเป็นความสุขใจความสบายใจทำไปแล้วต้องไม่สนใจว่าเขาจะทำอะไรกับสิ่งที่เราให้เขาไปถ้าเรามารู้ภายหลังว่าเขาไปทำไม่ดีไม่ชอบ คราวหน้าเราก็อย่าไปให้เขาก็แล้วกันเช่นเขาขอเงินไปซื้อข้าวซื้อยาแล้วเขาก็เอาเงินนี้ไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ไปซื้อลอตเตอรี่อย่างนี้คราวหน้าถ้าเรารู้มาขออีกก็ไม่ต้องให้ให้แบบนี้แล้วไม่เกิดประโยชน์ให้แล้วเป็นโทษกับเขาก็อย่าไปให้การให้จึงมีหลายลักษณะด้วยกันต้องใช้สติใช้ปัญญา เวลาจะทำบุญให้ทานก็ต้องดูว่ามันเกิดคุณเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษถ้าเกิดโทษก็อย่าไปให้เช่นไปซื้อเบียร์มาเลี้ยงกันซื้อเหล้ามาเลี้ยงกันอย่างนี้อย่าไปทำเดี๋ยวกินแล้วเมาแล้ว เ, เดี๋ยวก็ตีกันทะเลาะกันซื้อหยูกซื้อยามาได้ซื้อหนังสือธรรมะมาอ่านได้อย่างนี้ต้องรู้จักใช้วิธี ต้องรู้จักใช้ปัญญาคิดอย่าทำไปตามอารมณ์แล้วจะไม่ได้บุญดังที่ต้องการจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาทำบุญให้ท่านนี้ให้ท่านได้นงไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขใจคือบุญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา